50 languages. 19บเในห้องครัวอะดีเกมันในยั i คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะนิมมาดูหัวสร้าอะ e ี a ก วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะอินดูนีโน่เยนูอดิเกมาดุตติยคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารวิทยุตโอเลยนโนอหรวาแก๊สโอเลยบลสุตติโยดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะนานูอีรุลลียนโน่กัตตาริสเล ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะนานูอาลูกอเดซิปเปเตเยเลดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะนานูซปปร น, นตูตอเลยเลแก้วน้ำอยู่ที่ไหนโลตกะกลูเยลลีเวจานชามอยู่ที่ไหน ช้อนซ้อมและมีดอยู่ที่ไหนชมอน ช, ช่าชกคูมัด ต, ตูฟอร์กกลูเยลีลลเวคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะนินนบลดับบี้ตั้ยวาอุปกรณาอิดเคุณมีที่เปิดขวดไหมคะนินบลซีเซตัว้วุปกรณาอด คุณมีที่ดึงจุกกอ๊อกไหมคะนิ่นาเบลีมุจงชะไตั้ยว์อุปการะาอิเดเอเยคุณกําลังทําซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะนี่โนารน์นโยีปาตรียัลลีมาดุตติยะคุณกําลังทอดปลาในกระทะใบานี้ใช่ไหมคะนี่โมีนันโูยีบานดเลิอัลลีฮุรยิยุตติย คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะนี่นูตตรการิการ์โ น, นกริลเมเลเบสุตติยาดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ น, น้านวูดแ ต, ต่ดมจันนูอนนี้มาดุตเตเนนี่คือมีดซ่อมและชอนอิลลีชักกูฟอร์กมัตตูชมาชะเกาหลี นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปากอิลลีโลตักรูตัตเตกูมัตตุครวสตรกรูอิเ